สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมมีเรื่องลี้รับจากป่ามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับเป็นเรื่องราวที่ถ่ายทอดมาจากผู้เดินป่าท่านหนึ่งที่ได้กรุณาแบ่งปันประสบการณ์การเดินป่าและเรื่องลี้รับจากคําบอกเล่าของผู้เท่าจีเวพลานกระเรียงผู้เผชิญสิ่งลี้รับที่ป่าใหญ่อําเภออุ้มผางจังหวัดตากเช่นเดิมครับผมจะขออนุญาตสมมติว่าตัวผมเป็นผู้เดินป่าท่านนี้ แล้วกำลังเล่าประสบการณ์ที่ได้พูดคุยกับผู้เท่าจีเวให้ทุกท่านได้ฟังกันต่ออีกทีนะครับป่าตามแนวตะเข็บชายแดนไทยพามา่าแถ บ, บริเวณ อ, อําเภออุ้มผางจังหวัดตากย้อนหลังไปเมื่อราวยี่ถึงสากว่าปีที่ผ่านมาล้วนแต่มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่อย่างชุกชุมหนานแน่นพื้นป่ามีไม้น้อยไม้ใหญ่ขึ้นหนานแน่นอย่างอุดมสมบูรณ์เขียวขจีไปทั่วหุบเขาเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อเรื่องเล่า เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งลึกลับต่างๆทั้งพูดผีเทวดาอารักษ์ผีป่านางไม้จากปากของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ระแวกนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล่าของคนตัดไม้หรือในหมู่พรานป่าที่เล่าสืบต่อกันมามีทั้งพูดผีที่ให้คุณพูดผีที่ให้โทษหรือเหล่าเทวดาอารักษ์ที่คอยพิทักษ์ปกป้องผืนป่าและสัตว์ป่าผมได้มีโอกาสท่องป่าเดินป่ามาก็หลายครั้งหลายป่าหลายพื้นที่ แต่เป็นไปเพื่อนในใจรักในการประจนภัยทางธรรมชาติเท่านั้นมิได้เข้าป่าเพื่อเจตนาในการล่าสัตว์หรือทำลายสัตว์ให้เสื่อมค่าหรือนำของป่าออกมาเพื่อการค้าแต่อย่างใดจบจนกระทั่งครั้งหนึ่งได้มีโอกาสเดินทางไปท่องป่าในแถบชายแดนไทยพมา่าแถวแถวเขตอำเภออุ้มผามจังหวัดตากอเาเภอที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดคือจังหวัดตากประมาณกว่า220กิเมตร ที่ที่ได้ชื่อว่ามีผืนป่าและสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยจึงเป็นที่มาของเรื่องเล่าครั้งนี้ซึ่งผมได้ยินและได้ฟังมาจากผู้เฒ่าจีเวอดีตพลานกระเลียงผู้กลับใจเลิกเข้าป่าเลิกกล่าสัตว์ตลอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์ที่เคยไปเชิญผีเจ้าป่าหรือผีเจ้าที่แห่งป่าดงดิบใหญ่อุ้มผางเขตอำเภออุ้มผางจังหวัดตากในช่วงค่าของคืนวันหนึ่งปี2557 ปลายเดือนมกราคมณข้างกองไฟที่ซุมอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งแห่งหมูบม่บ้านเสธะหมู่บ้านกะเหรี่ยงกลางหุบเขาแห่งป่าอุ้มผางอเภออุ้มผางจงตากความหนาวเหน็บของสภาพอากาศที่อ อ, อุ้มผางในค่ําคืนนี้มันช่างหนาวเย็นเข้าจับขั้วหัวใจของผู้มาเยือนจริงๆหนาวซะจนไม่อยากจะลุกหรือเคลื่อนย้ายร่างกายไปที่ไหนเลยอยากจะนั่งผิงไฟอยู่ข้างกองไฟให้ร่างกายอบอุ่น ตลอชั่วขําคืนนั้นผู้เท่าจีเวอดีตในพานกระเรียงมือขมังที่สุดแห่งหมู่บ้านเซธะผู้เป็นเจ้าของบ้านและให้ที่พักพิงแก่ผมในยามขําคืนนี้ผู้เท่ามีอัธยาศัยต้อนรับแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดีจัดการเลี้ยงต้อนรับแขกบ้านในขําคืนนี้ด้วยต้มไก่บ้านปรุงรสแบบง่ายๆด้วยผลมะขามเปียบต้มกินเป็นกับแกล้มซึ่งเป็นอาหารที่หาได้ง่ายในแทบทุกบ้านพร้อมกับสุรายอย่างดีที่ผมนําติดตัวมาด้วย ทั้งฤทิ์ตีกรีของสุราบวกกับแกล้มช่วยเพิ่มอรรถรสในการสนทนาดูเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นช่วยทําให้อารมณ์คล้อยตามเนื้อเรื่องในการสนทนาได้เป็นอย่างดีเราพูดกันถึงเรื่องราวส่วนตัวของแต่ละคนเป็นการแนะนําตัวกันพอหอมปากหอมคอพร้อมกับผมได้เปิดประเด็นถึงการเดินทางมาท่องป่าอุ้มผาในครั้งนี้ผู้เฒ่าคงมองเห็นว่าผมรักการเดินทางท่องป่าจริงๆและมองเห็นมิตรภาพอันแท้จริงจากแขกผู้มาเยือน จึงประสงค์ที่จะเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์การเดินป่าล่าสัตว์ของท่านผู้เฒ่าในอดีตจบจนกระทั่งถึงสาเหตุของการเลิอกอาชีพในพรานมมตลอดชีวิตหลังจากเหตุการณ์ที่เผชิญผีที่แกเรียกว่าผีเจ้าป่าย้อนรอยอดีตผู้เฒ่าจีเวกับหมู่บ้านกะเหลียงเสซธะผู้เฒ่าจีเวอดีตในพรานกะเหลียงมือขมังที่สุดแห่งหมู่บ้านเสซธะอำเภออุ้มผามจังหวัดตากด้วยวัยปัจจุบันเกือบ70ปีแกเล่าเรื่องย้อนรอย ครั้งเมื่อได้เข้าป่าล่าสัตว์ในแถบป่าอุ้มผามว่าตัวผู้เท่าเองเป็นคนหมู่บ้านเซอร์ธะซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหลี่ยมตัวแกแต่งงานแล้วมีลูกสาวสวยอยู่สองคนซึ่งต่างก็ออกเรือนกันไปหมดแล้วนานๆทีจึงจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักทีชาวบ้านส่วนใหญ่แถบนี้ตั้งแต่ครั้งในอดีตล้วนดารงชีพยอยู่ด้วยการเกษตรกรรมเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวควายการเก็บหาของป่า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไปเพียงเพื่อการดํารงชีพและการเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นบางครั้งก็มีการเดินทางเข้าไปในตัวอำเภออุ้มผางเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเช่นยารักษาโรคเกลือน้ําปลาและน้ํามันกา๊าดกับพ่อค้าหรือคนพื้นเมืองในสมัยนั้นการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลําบากโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนชาวบ้านแทบจะไม่ได้เดินทางไปต่างท้องที่เลย ซึ่งในสมัยก่อนต้องอาศัยการเดินเท้าเป็นหลักรถยนต์รถโดยสารขนาดเล็กนานๆถึงจะผ่านเข้ามาสักทีราวๆเมื่ออายุแกได้ประมาณ20กว่าปีแกได้แยกตัวออกมาจากครอบครัวย้ายมาปลูกบ้านอยู่อาศัยเองเป็นเดือนไม้ฟากธรรมดาปู ด, ด้วยพื้นไม้ไผ่โครงหลังคาใช้ลักษณะการมุงด้วยหญ้าแฝกปนใบตองตึงหรือใบไม้เต็งรังแบบชาวบ้านไทยภูเขาทั่วๆไปโดยปลูกบ้านอยู่บนเนินดินท้ายหมู่บ้าน มีต้นมะขามใหญ่ให้ร่มเงาพอกันแดดได้บ้างโดยมีบ้านของเพื่อนบ้านอีกหลังหนึ่งปลูกติดกันอยู่ถัดไปแต่เพื่อนบ้านก็ต้องมาด่วนจากไปซะก่อนด้วยจากเหตุไฟแม่บ้านและถูกไฟคลอกตายทิ้งให้แกอาศัยอยู่ในสถานที่แห่งนี้กับภรรยาเพียงสองคนจากจุดนี้เองแกก็ได้เริ่มใช้ชีวิตการเป็น พ, านพรานไพร์เพื่อทําหน้าที่แห่งผู้นําในการหาเลี้ยงครอบครัวเป็นการเริ่มต้นสู้ชีวิตหาเลี้ยงชีพด้วยวิชา พ, าพรานไพร์ ที่เคยได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากรุ่นสู่รุ่นอาวุธประจําตัวที่แกใช้ล่าสัตว์มีเพียงอย่างเดียวคือปืนแก๊ปแบบด้ามสั้นลํากล้องไม่ยาวมากนะักเพื่อความคล่องตัวในการถือหรือนําพาตัวผู้เท่าจิวเบบอกว่าด้วยพราะขนาดของปืนแก๊ปนี่แหละที่แกใช้เองไม่เหมือนพลานุนอื่นก็เพราะเนื่องว่ามันมีขนาดเล็กและสั้นกว่าปืนแก๊ปทั่วไปเวลาเข้าป่าล่าสัตว์จึงต้องไปคนเดียว เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าตื่นหรือที่เรียกว่าป่าตื่นและต้องอาศัยความชํานาญในภูมิประเทศบวกกับความกล้าค่อยๆ ย, ย่องเงียบๆด้วยฝีเท้าอันแผ่วเบาพร้อมกับประกอบการดูทิศทางลมก่อนจะค่อยๆเคลื่อนที่เข้าไปหาสัตว์ให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะในระยะหวังผลของปืนสั้นต้องเข้าใกล้สัตว์ให้มากที่สุดจึงทําไห้แก่เข้าป่าและก็ได้เนื้อกลับมาแทบทุกครั้งในการดูทิศทางลมแกเล่า ว, ว่า หากบรรยากาศเงียบไม่มีลมพัดกิ่งใบไม้เพื่อที่จะให้ดูทิศทางลมแล้วแกก็จะใช้นิ้วจุ่มน้ําหรืออ ม, มให้เปียกจากนั้นแกก็จะชูนิ้วขึ้นให้สัมผัสกับอากาศหากข้างใดข้างหนึ่งรู้สึกเย็นสแสดงว่านั่นคือทิศทางของลมหรือไม่ก็โปรยฝุ่นขึ้นในอากาศดูทิศทางลมพัดด้วยเทคนิคบวกกับฝีมือในการยิงสัตว์ของแกโ ด, ด่งดังจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วหมู่บ้านแด้ในหมู่ของนายพรานและชาวบ้าน ถึงกับยกพรานหนุ่มจีเวในสมัยนั้นว่าเป็นในพรานมือหนึ่งมือฉมังของหมู่บ้านเซอร์ทะและละแวกใกล้เคียงจนได้รับเกียรติให้เป็นในพรานใหญ่และทุกครั้งหากพรานหนุ่มจีเวจะเข้าป่าล่าสัตว์จะต้องมีบรรดาในพรานคนอื่นมานั่งคอยอยู่ตรงลานหน้าบ้านของแกเพื่อมาขออาศัยเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยแต่ก็ต้องถูกปฏิเสธจากในพรานใหญ่หนุ่มจีเวทุกครั้งไป แกดำเดินชีวิตด้วยการหากินเลี้ยงครอบครัวด้วยการเข้าป่าล่าสัตว์อยู่เป็นประจำเวลาแกเข้าป่าล่าสัตว์แกบอกว่าไม่เคยหลงป่าหรือว่ากลัวหลงป่าเลยเพราะแกตั้งสัจจะไว้ว่าจะเดินป่าเฉพาะในเวลากลางวันเท่านั้นและโดยอาศัยการจุดจำยอดเขาสูงทางฝั่งทิศตะวันตกเป็นหลักการใช้ในการกาหนดทิศแต่จะต้องหยุดแ ห, หาที่พักค้างแดมในป่าก่อนพบค่แกบอกว่าป่ามันมืดมาก เต็มไปด้วยอันตรายจากทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งลึกลับที่มองไม่เห็นตัวโดยสถานที่นอนของแกนั้นแกจะหาทําเลที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆพอประมาณที่ติดอยู่ในระยะที่ผูกเชือกเปลได้สามารถมัดขึงถึงกันได้พรานใหญ่จีเวนอนเปลแบบง่ายๆสูงพอเพื่อไม่ให้สัตว์อันตรายเข้าถึงตัวได้แกไม่มีการนั่งห้างยิงเหมือนคณะพรานชุดอื่นแกบอกว่ามันยุ่งยากส่วนตัวแกเองนั้น หากในขณะเพอเอิญเดินไปพบเจอสัตว์เข้าก็จะค่อยๆย่องหาหาจังหวะเข้าไปยิงใกล้ๆหรือถ้ายังไม่เจอสัตว์ที่จะให้แกยิงแกก็จะหาทำเลที่คาดว่าสัตว์ป่าจะเดินผ่านหรือออกมาหาอาหารเช่นแถวๆด่านสัตว์ดินน้ำลำาําธารหรือบริเวณดินโป่งต่างๆที่สัตว์ป่าออกมาหากินกันจากนั้นแกก็จะหาที่ผูกเปลในตำแหน่งที่ไม่สูงมากนักแกบอกว่านี่แหละคือห้างราชสัตว์ของแก โดยตัวแกเองจะแอบหมอบอยู่ในเปลเพรสัตว์ป่าเข้ามาใกล้ๆอยู่ในระยะยิงหวังผลได้แกก็จะค่อยๆโผล่ศีรษะและค่อยๆเอาปืนพลาดขอบเปล ย, ยิงสัตว์โดยที่มันไม่สามารถจะมองเห็นแกได้เลยตัวพรานจูเว่แกบอกว่าในระยะนี้ไม่มีพลาดหลังจากแกยิงสัตว์ได้แกก็จะรอจนนุ่งสางของอีกวันโดยไม่ลงจากเปลเลยด้วยสัจจะที่ว่าจะไม่เดินป่าตอนกลางคืนจะต้องรอจนตะวันขึ้นก่อน และแกก็จะลงมาแบกสัตว์ป่าที่แกยิงได้กลับเข้าหมู่บ้านในตอนสายๆของวันนั้นแกเล่าพร้อมสำทับว่าป่าพื้นที่แถบนี้อุดมสมบูรณ์มากมีสัตว์ป่าชุกชุมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นทั้งสัตว์นักล่าเช่นเสือโคร่งเจ้าป่าหมีเสือไฟงูใหญ่เป็นต้นสัตว์ผู้ถูกล่าหรือสัตว์ซึ่งเป็นเหยื่อนักล่านั้นเช่นเก้งกวางหมูป่าไก่ป่าลิงข้างบางชนี สัตหายากอีกนานาชนิดเช่นไก่ฟ้ากระทิ่นกเงือกเลียงผาแกเข้าป่าทุกครั้งก็ต้องได้เนื้อสัตว์ป่ากรราับมาฝากภรรยาทุกครั้งไปแต่ก็เพียงเพื่อการเลี้ยงดูครอบครัวเท่านั้นพอยิงได้เนื้อสัตว์แกก็กลับบ้านเลยไม่คิดที่จะล่าเอาอย่างอื่นเป็นร่ำเป็นสันหวังที่จะเอาไปส่งร้านอาหารป่าในตัวอำเภอตามไปสัง่งหรือเอาไปขายแลกเปลี่ยนเป็นเงินทองขอเพียงเพื่อให้ครอบครัวมีกินมีใช้ตามความจําเป็นก็เพียงพอ จบจนกระทั่งภรรยาแกได้ให้กําเนิดบุตรสาวคนแรกและบุตรสาวคนที่2ในอีกสองปีถัดมาท่านหนุ่มจีเวจึงเริ่มห่างป่านานๆทีถึงจะเข้าไปในป่าสักครั้งในยานที่ขาดแคลนเนื้อหรือขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเพราะต้องการใช้ช่วงระยะเวลานี้อยู่กับครอบครัวและการเล่นกับบุตรสาวทั้งสองที่กําลังน่ารักน่าอุ้มถ้าไม่จะเป็นก็จะไม่เข้าป่าเลยการเดินทางเข้าป่าจําเป็นต้องผ่านป่าไม้ใหญ่ไม่น้อย แร่กิ่งก้านและเกลรกะด้วยความรกทึบของสภาพพื้นป่าดงดิบทำให้การเดินเท้าค่อนข้างลําบากมากบางครั้งก็จาต้องเลือกเดินผ่านดงป่าไผ่เพราะพื้นด้านล่างจะมีบางส่วนที่โล่งและปกคลุมด้วยใบไผ่ที่ร่วงลงมาสู่พื้นดินทำให้เดินได้คล่องตัวและนุ่มกว่าวันหนึ่งพระหนุ่มจิเวได้ใช้เส้นทางผ่านกอไผ่หมู่ใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นและเบียดเสียดกัน บางกอหลังจากออกช่อออกดอกแล้วลําป้องใบก็เหี่ยวแห้งอับเฉาตายไปเป็นธรรมดาจนกระทั่งหนุ่มจีเวได้เดินทางมาเจอกอไผ่ลําป้องกอใหญ่หนึ่งที่เริ่มเหี่ยวแห้งเหลืองเฉาตายแต่ด้วยสายตาอันเฉียบแหลมของเดชพรผู้ล่าทรันสายตามาสุดที่ลําป้องไม้ไผ่ป้องใหญ่ป้องหนึ่งที่มีความแปลกประหลาดคือเป็นลําไม้ไผ่ที่ข้อปล้องอื่นในลําเดียวกันเหลืองแห้งตายกันหมดแล้วแต่แปลก กลับเหลือแต่ปล้องตรงกลางที่ยังไม่แห้งตายกลับมีสีเขียวเหมือนปกติและปรากฏมีรากฝอยและกิ่งแขนงเล็กๆพผล่ ง, ง อ, กออกมาเต็มร่องช่วงขั้นระหว่างปล่องพระหนุมจีเวมีความงุนงงสงสัยมันมีอะไรอยู่ข้างในจึงตัดสินใจใช้มีดพระที่แกล้งติดตัวมาพาดูปรากฏว่าข้างในมีน้าําใสๆไหลยเย็นไหลทะลักแตกออกมาเต็มกระบอกลําไม้ไผ่นั้นน้ํานั้นมันเย็นขนาดเหมือนกับแช่ในน้ําแข็งเลยทีเดียว ตอนแรกแกบอกว่าไม่พบเห็นวัตถุอะไรแ ป, กแปกลกๆไหลออกมากับน้ำเลยแต่พอน้ำซึมดินเหือดแห้งแกจึงเพ่งพินิษดูให้ละเอียดอีกครั้งก็พบว่ามีก้อนหินขนาดเล็กสีเทาดำกึ่งเขียวเข้มลักษณะเรียวรีผิวเกลี้ยงเหมือนกับถูกขัดถูแล้วนำมาบรรจุไว้ขนาดเล็กใหญ่ประมาณสองเท่าของมเมล็ดข้าวเปลือกผู้เท่าบอกว่าเป็นโคดไม้ไผ่แกมีความตื่นเต้นมาก ดีใจมากที่ได้พบเจอจึงยกมือไหว้กล่าวขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาพร้อบกับนําติดตัวกลับออกมาด้วยผู้เฒ่าเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของการเป็นในพรานแกเล่าว่าหลังจากแกห่างป่าได้สักพักใหญ่ในที่สุดวิถีแห่งพรานไพยก็กลับมาเป็นปกติอีกในตอนสายวันหนึ่งแกก็เตรียมตัวที่จะเข้าป่าล่าสัตว์เหมือนอีกเช่นเคยโดยภรรยาก็จัดการหุงหาอาหาร เพื่อให้แกใช้เป็นสเสบียงในการเดินทางหลังจากจัดการกับอุปกรณ์ในการเดินทางเข้าป่าพร้อมกับเต็มสเสบียงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพระหนุ่มจีเวก็เริ่มออกเดินทางเข้าป่าใช้เวลาเดินเท้าในป่าราว6 7ถึงเจ็ดชั่วโมงแงนมองท้องฟ้าตะวันก็เริ่มจะชิงพรบแล้วแสงของพระอาทิตย์ยามผีตากผ้าอ้อมมองดูแลวสวยงามมากแต่ก็ปนความรู้สึกวังเวง ย, ยางไงพีุ่พี่ก ได้เวลาหาทําเลหาที่พักค้างแรมก่อนที่จะมืดค่าเสียก่อนแล้วคราวนี้พราหนุ่มจีเวได้ทําเลที่พักค้างคืนใกล้ๆด่านสัตว์กว้างใหญ่ลักษณะเป็นทางป่งดินกว้างมีรอยเท้าสัตว์หลากชนิดเหยียบย่าไปมาจนหญ้าเฉาตายเหลือแต่ดินโล่งกว้างกลายเป็นด่านสัตว์หรือทางสัญจรของสัตว์หลังจากจัดการกับมืดค่ำแล้วก็จัดการผูกเปลแล้วแอบขึ้นไปนอนซุ่มอยู่เหมือนเดิมรอแล้วก็รอ รอจังหวะหมายมั่นว่าจะได้เนื้อกลับบ้านดังเช่นเคยผู้เท่าเล่าว่าเวลาผ่านไปราวชั่วโมงกว่าก็น่าจะประมาณหลัง6กโมงเย็นความมืดกับความเงียบสงัดแห่งป่าเริ่มคลืบนพลานเข้ามาลมพัดโชยใบไม้ไหวนิ ด, น ด, นดป่าทึบแต่ก็พอที่จะได้ยินเสียงลมประทะยอดใบไม้ไผ่ยอดไม้ไผ่จะดังวีวิวแสงแดดแบบที่เราเรียกว่าผีแต่ผ้าอ้อมส่งแสงเล็ดลอดช่วงกิ่งของต้นไม้ใหญ่ที่มองอยูอุมครึม พอจะมองเห็นเส้นสายลายมือบ้างทรานหนุ่มจีเวรู้สึกถึงความเย็บพิกลซึ่งปกติเวลานี้จะต้องได้ยินเสียงสัตว์เช่นเก้กวางร้องดังอยู่ในแนวป่าอยู่เป็นระยะทั้งใกล้และไกลออกไปร้องรับกันเป็นจังหวะเสียงไก่ป่าปกติก็ต้องได้ยินเสียงของมันบ้างกระพือปีกแหวกอไม้ไผ่พุ่มไม้หาที่หลับที่นอนดังแคว่กันบ้างแต่เอ๊ะทำไมในยามค่ำคืนนี้ มันช่างเงียบราวกับว่าสัตว์ป่ามันรับรู้ถึงบางสิ่งบางอย่างจึงได้พากันเก็บตัวเงียบไปทั้งป่าพระหนุ่มจีเวเริ่มจะรู้สึกแล้วว่ามันแปลกพิกลแต่ก็ต้องดักซุ่มรอต่อไปคิดว่าคงไม่มีอะไรมากคงเป็นไปตามธรรมชาติแต่สักพักแนวป่าใหญ่สลับพุ่มไม้เตี้ยข้างหน้ามีบางสิ่งบางอย่างกาลังเคลื่อนไหวสังเกตจากยอดพุ่มไม้เตี้ยสั่นไหวไปมา แกจึงค่อยๆเ อ, อ, อื้อมมือหยิบอาวุธคู่กายปืนแก๊ปขนาดสั้นออกมาวางพาดบนขอบเปลแล้วเล็งปลายปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่แกคิดว่าไม่เก้งใหญ่ก็เก้งเขางามละทีเนี้ยเพราะพุ่มไม้อยู่สูงใหญ่ขนาดนี้แต่พอเจ้าสัตว์ป่าตัวนั้นโผล่ออกมาจากแนวพุ่มไม้แกก็พอที่จะมองเห็นว่าตัวมันมีรูปร่างสูงใหญ่ขนาดพอๆกับม้าตัวหนึ่งเลยแต่ก็ยังไม่รู้แน่ชัด ว่ามันคือตัวอะไรเพราะความมืดที่บดบังสีสันและลวดลายมันค่อยๆเดินเงียบเข้ามาเข้ามาตรงที่แกแขวนเปล น, นอนแอบซุ่มอยู่แล้วก็มาหยุดอยู่ตรงหน้าแกในระยะห่างประมาณสองวากว่ า, วาพระหนุ่มจีเว ร, รู้สึกว่าแขนขาของตัวเองเรี่ยวแรงมันหายไปไหนหมดไม่รู้ได้แต่มือไม้สั่นไปหมดเม็ดเหงือผุดออกมาเต็มหน้าผากทั้งที่อากาศก็เย็นสบายไม่ร้อนอบอ้าวถึงตอนนี้แล้ว แกก็เกือบจะฉีร่ร่าเกางเกงของตัวเองซะแล้วหัวใจเต้นแรงและหนักเต้นรัวไม่เป็นจังหวะเนื้อตัวสั่นเทาไปหมดเท่านในระยะนี้พรานหนุ่มจีเวเห็นชัดเจนแล้วว่าจะตัวที่มือยืนอยู่ตรงหน้าขนาะนี้มันคือเสือโคร่งลายพาดกรอนตัวสูงใหญ่มากขนาดเท่าม้าเห็นจะได้ระหว่างที่ฟังอยู่นั้นผมเลยแทรกคําถามว่าแล้วทําไมผู้เท่าไม่ยิงมันเลยล่ะครับแกก็บอกว่าถ้ายิงมันเราก็ไม่รอดนะสิ ตอนที่เห็นชัดเจนว่ามันเป็นเสือโคร่งสมองก็ไม่สั่งการอะไรเลยดูตื่ไปหมดคิดอะไรไม่ออกมีแต่อารมณ์ความกลัวอย่างเดียวแล้วแกก็บอกอีกว่าปืนของแกเอาเสือโคร่งไม่อยู่หรอกคงยิงได้แต่เพียงสัตว์ขนาดเล็กหรือขนาดกลางพอประมาณเท่านั้นอีกอย่างเสือเป็นสัตว์ที่เลงยิงยากตะบะมันสูงคล่องแคล่วว่องไวมากถ้าหากยิงแล้วไม่ถูกจุดตายหรือจุดสาคัญมันไม่ตายเราก็จะตายซะเอง แกก็ได้แต่เอาแต่จ้องมองมันโดยไม่ขยับตัวหรือทําการอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวเลยส่วนเสือตัวนั้นก็ได้แต่มองแกเฉยๆมันไม่ทําอะไรมันเอาแต่จ้องหน้ามันมองด้วยอาการธรรมดาไม่มีปฏิกิริยาคุกคามเลยมองเฉยๆเท่านั้นแหละมันคงจะสงสัยเหมือนกันว่าเราเป็นตัวอะไรหรือมันอาจจะไม่หิวหรือมันอาจจะไม่คุ้นเคยกับตินเหยื่อที่มันเคยล่าก็เลยมองว่าเราไม่ใช่เหยื่อหรืออาหารของมัน ประมาณสักห้านาทีกว่าๆเห็นจะได้แต่สําหรับหนุ่มจีเวนั้นมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานมากๆยาวนานที่สุดสําหรับแกและในที่สุดเสือมันก็ค่อยๆผะเดินเลี่ยงไปตามทางดัานสัตว์หายเข้าไปในแนวป่าทึบ ค, ค่ําคืนนั้นแกก็เก็บปืนไม่ล่าสัตว์เลยเพราะเชื่อว่าเป็นลางไม่ดีเจ้าที่เจ้าทางเขาอาจจะแปลงร่างเป็นเสือโค้งขนาดใหญ่มาเตือนไม่อนุญาตให้ล่าสัตว์ในวันนี้จากนั้นพานหนุ่มจีเวก็รอจนรุ่งสาง จึงลงจากเปลเก็บข้าวเก็บของแล้วรีบมุ่งหน้ากลับบ้านเป็นครั้งแรกที่พรานหนุ่มมือฉัมังของหมู่บ้านไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาฝากครอบครัวเลยหลังจากเหตุการณ์เผชิญหน้าเสือโคร่งเจ้าป่าแล้วพรานหนุ่มจีเวก็หยุดพักการเข้าป่าล่าสัตว์ไปหลายวันก็นจะหันหน้ากลับเข้าป่าล่าสัตว์ตามปกติซึ่งแกก็ได้เนื้อสัตว์กลับมาฝากครอบครัวเหมือนเดิมเช่นเคยใกล้ค่ำวันหนึ่งประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูฝนพระหนุ่มจีเวจําเป็นต้องสะสมสเสบียงอาหารเก็บไว้ให้ครอบครัวในยามฝนตกหนักการเดินทางเข้าป่าอาจจะเป็นไปได้ด้วยความยากลําบากจึงจําเป็นต้องล่าสัตว์ให้ได้ก่อนกลางฤดูฝนใหญ่ที่จะมาเยือนในแนวป่าลึกพระหนุ่มจีเวกางเปลยถึงผาดกับต้นไม้ตักรอยิงสัตว์เหมือนเช่นเดิมขณะนั้นใกล้ค่ําแล้วแต่ก็ยังไม่มืดมิดพระอาทิตย์เพิ่งจะลาลับขอบฟ้า แต่ก็ยังสะท้อนแสงสว่างให้เห็นอยู่ไร่ไรพระหนุ่มจีเวได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตรงเข้ามาหาจุดที่เขากำลังดักซุ่มอยู่เป็นเสียงฝีเท้าก้าวเดินในจังหวะเนิบๆแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรพระหนุ่มจีเวเอาปืนแก๊ปประจำกายมาพาดวางบนขอบเปลยเช่นเคยหมายจะยิงเช่นเคยแต่ก็เอิดใจว่าสัตว์อะไรทําไมจังหวะการเดินจึงไม่เหมือนสัตว์ป่าทั่วไปที่เคยพบเจอมาเพราะหากเป็นสัตว์ป่าทั่วไป จะต้องเดินบ้างหยุดบ้างกินหรือเคี้ยวอาหารบ้างกระโดดไปมาหรือส่งเสียงร้องพร้อมกับเหยียบย่ำให้ได้ยินเสียงใบไม้แห้งบ้างแต่นี่กลับเป็นเสียงฝีเท้าเดินมาตรงๆไม่หยุดไม่เหยียบไม่ย่ำอะไรเลยเรากับว่าเดินมาตามทางดินเพื่อมุ่งมาหาพระหนุ่มโดยตรงความสงสัยคิดอยู่ได้ไม่นานเจ้าของเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาจนอยู่ในระยะของการมองเห็นได้ พระหนุ่มจีเวสามารถมองเห็นได้ชัดว่านั่นมันไม่ใช่สัตว์ป่าซะแล้วแต่เป็นคนเป็นผู้เท่าตัวเตียเต้ยๆหลังค่อมนุ่งชุดขาวมือข้างขวาถือไม้เท้าเดินเข้ามาตามตำแหน่งที่พระหนุ่มจีเวผูกเปลไว้ด้วยท่าทางปกติไม่มีการเชงื้อมองซ้ายหรือเชเงื้อมองขวาคงเดินก้มหน้านิ่งเดินมองทางเป็นปกติตรงอย่างเดียวพระหนุ่มจีเ ว, เวเกิดอาการงงๆ บนกับความตกใจนิดๆพรานก็ลดปืนนำมาเก็บซ่อนไว้ในเปลในใจก็คิดว่าในป่าทึบแบบนี้จะมีใครมาเดินเล่นอีกตอนแรกแกก็คิดว่าเป็นนายพรานเหมือนกันแต่ลักษณะที่เห็นตอนนี้ไม่ใช่ในายพรานผู้ร่วมป่าแล้วเจ้าของฝีเท้าเดินเข้ามาอยู่อยู่ตรงด้านล่างที่พรานหนุ่มจีเวย์ผูกเปลไว้กับต้นไม้พรานหนุ่มไม่ทันได้ใช้โงกหน้าก้มร้องตะโกนถามทันใดนั้นผู้เท่าตัวเตี้ยๆหลังค่อม นุ่งชุดขาวมือข้างขวาถือไม้เท้าที่พระหนุ่มจีเวเห็นก็ได้ยืดลําตัวสูงขึ้นมาหาตามความสูงที่พระหนุ่มผูกเปลเอาไว้พระหนุ่มเห็นดังนั้นก็มียรการตกใจหน้าซีดเผือดตัวสั่นผักๆในใจแกก็อยากจะโกนว่าผีผีบิ ผ, ผ, ผ, ผีหลอกผีเจ้าป่าแต่ก็ร้องไม่ออกป่าทั้งป่าเงียบกริบไร้ซึ่งเสียงแห่งป่าเหมือนมันมีอํานาจบางอย่างมาสะกดเอาไว้ เท่านุ่งขาวห่มขาวผีเจ้าป่าฉเฉงเอ๋ใบหน้ามามองซึ่งแกจําได้ติดตาว่าเหมือนใบหน้าคนแก่ปกติทั่วไปนี่แหละยื่นหน้าเข้ามาใกล้ๆแล้วเรียกชื่อแกว่าจีเวผานหนุ่มยังข้างอยู่ในอาการหวาดกลัวและตะลึงเงินงงผีเจ้าป่ารู้จักชื่อของแกได้ยังไงจีเวผีเจ้าป่าเรียกชื่อของผานุ่มจีเวอีกครั้งก่อนที่พผาหนุ่มจีเว พอจะเรียกสติคืนมาได้บ้างรีบขานรับด้วยน้ำเสียงอันสันเครือและแผ่วเบาแบ บ, แ บ, บแตะกุกตะกักว่าครับครับครับครับครับผีเจ้าป่าพูดกับครา น, นุ่มจีเวว่าหยุดล่าสัตว์ได้ไหมหากหยุดได้เจ้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะร่ำรวยมีบ้านใหม่มีรถยนต์มีความสุขสบายมีความเป็นอยู่ดีขึ้น พระหนุ่มจีเวรีพยักหน้ายอมรับพร้อมกับเสียงตอบรับด้วยน้ำเสียงสั่นๆว่าครับครับครับครับอย่างเดียวโดยที่แกบอกว่าในห่วงเวลาแห่งซีวินาทีนั้นไม่มีโอกาสที่จะคิดต่อเป็นอย่างอื่นไปได้เลยผีเจ้าป่าพูดอะไรจําเป็นต้องตอบรับครับอย่างเดียวผีเจ้าป่าขอร้องให้แกหยุดล่าสัตว์แล้วจะให้โชคร่ำรวยมีฐานะดีขึ้นผีเจ้าป่าบอกอีกครั้งว่าถ้าเจ้าให้คํามั่นสัญญาว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์อีก ข้าจะให้โชคแก่เจ้าพระหนุ่มจีเวรีบตอบรับอย่างไม่ลังเลด้วยความเกรงกลัวในอำนาจแห่งผีเจ้าป่าผมให้สัญญาครับจากนั้นผีเจ้าป่าก็หดตัวลงหายวับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้โดยพระหนุ่มจีเวไม่กล้าที่จะชำเลืองมองตามลงไปยังคงค้างตะลึงอยู่ในเหตุการณ์ที่ตนเองไม่เคยคาดคิดว่าจะต้องมาเจอรุ่งเช้าวันใหม่พระหนุ่มจีเวรีบเก็บข้าวของพร้อมอาวุธประจํากายมุ่งหน้ากลับบ้านทันที และก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ไม่ได้อะไรกลับไปฝากภรรยาและครอบครัวเลยพร้อมกับนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปเล่าให้ภรรยาฟังโดยภรรยาไม่เชื่อเรื่องที่พรานหนุ่มจีเวเล่าและได้ประสบมาภรรยาก็ต่อว่าแกน่ะแกล้งแต่งเรื่องขึ้นมาดุ่มจีเวบัตรนี้ไม่ใช่ในพรานอีกต่อไปแล้วอาวุธปืนแกป๊ปที่แกเคยใช้ล่าสัตว์ก็ได้ถูกนาไปทุบทาลายเรียบร้อยแล้วตามคาขอของผีเจ้าป่าผู้เท่าเล่าว่า แกจบชีวิตในพ่านด้วยวัยประมาณ35ปีเศษผูู้เผ่าเล่าให้ฟังต่อว่าหลังจากเหตุการณ์รเผชิญกับผีเจ้าป่าแล้วแกก็เล่าให้ชาวบ้านและหมู่เพื่อนฝูงฟังแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเรื่องที่แกบอกเลยมีบ้างที่พยายามจะเชื่อแต่หลังจากนั้นได้ประมาณ10กว่าวันก็มีคนเริ่มจะเชื่อสิ่งที่แกพูดแล้วเพราะวันนั้นตรงกับวันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวันหวยออก ปรากฏว่างวดนั้นหนุ่มจีเวถูกรางวัลสามตัวตรงๆที่แกซื้อแบบชาวบ้านได้เงินมาจํานวนหลายหมื่นบาทแกบอกว่าเงินหมื่นในสมัยก่อนนั้นทําให้แกสามารถตั้งตัวได้เลยทีเดียวสามารถซื้อที่ดินทําเลดีๆในกลางหมู่บ้านได้หลายแปลงภรรยาก็เริ่มเชื่อในสิ่งที่แกพูดแล้วแต่หนุ่มจีเวอดีตในพรานยังคงเก็บความสงสัยว่าผีเจ้าป่าจะให้เลขหวยแกอีกหรือเปล่าจึงชักชวนภรรยาไปจุดทูบที่ข้างบ้าน เพื่อขอพิสูจน์ให้ภรรยารู้ว่าเป็นผีเจ้าป่าจริงและพร้อมจะให้โชคแก่อีกหรือไม่นุ่มจีเวย์พร้อมกับภรรยาได้จุดธูปดอกเดียวใต้โคนต้นมะขามใหญ่ข้างบ้านในตอนหัวค่าซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่เคยเจอผีเจ้าป่าพร้อมกับกล่าวเชื้อเชิญเป็นภาษาถิ่นภาษากเกาหลีขอให้ผีเจ้าป่าที่เคยพบเจอในครั้งนั้นมาปรากฏตัวเพื่อพิสูจน์ใหเห็นอีกครั้งว่าท่านเป็นผีเจ้าป่าจริงหรือไม่ผู้เฒ่าบอกว่าสักพัก อากาศมันก็เริ่มแปรเปลี่ยนเหมือจะมีลมฝนซะอย่างนั้นและทันทีนั่นเองต้นมะขามใหญ่ที่เมื่อสักครู่ยังคงนิ่งสงบอยู่บัดนี้กิ่งมันโยกไหวโผนโยกเยกโยกเยกใบปลิวลุ่งหลน่นตลิวว่นไปทั่วตามแรงลมฝุ่นฟุ้งตลบไปทั่วและสักพักก็เริ่มเห็นร่างร่างหนึ่งค่อยๆเคลื่อนเข้ามาหาตรงที่จุดที่แกกับภรรยายืนตะลึงอยู่เป็นชายหนุม่มสวมเสื้อผ้าชุดเกรี้ยงขาดวิน มีรอยเปื้อนเต็มไปด้วยเขา่าไฟพร้อมกับเจ้าของร่างนั้นพูดถามหนุ่มจีเวเป็นภาษากรเลียงว่าจีเวเรียกพี่มาทำไมหนุ่มจีเวพร้อมภรรยาเห็นปุ๊บก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ตายไปเพราะไฟไหม้บ้านแล้วก็โดนไฟคลอกตายหนุ่มจีเวจึงตอบกลับไปเป็นภาษากรลียงด้วยน้ำเสียงสันส่นๆเครือว่าผมไม่ได้เรียกพี่มาผมเรียกคนอื่น แล้วร่างเพื่อนบ้านคนนั้นก็จึงถอยหลังหันกลับไปโดยไม่พูดอะไรพร้อมกันนั้นการปรากฏร่างของอีกร่างหนึ่งก็ลอยแทะเข้ามาเป็นร่างที่หนุ่มจีเวมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีผูเท่าตัวเตียเต้ยๆหลังก้มๆนุ่งชุดขาวมือข้างขวาถือไม้เท้าผีเจ้าป่านั่นเองหนุ่มจีเวพร้อมภรรยาจึงนั่งคุกเข่าก้มลงกราบออกอาการตัวสั่นนิดๆหนุ่มจีเวเอ่ยปากกับผีเจ้าป่าว่า เพาะไม่แน่ใจว่าท่านจะเป็นผีเจ้าป่าจริงหรือไม่จึงได้จุดธูปและลองเรียกดูแล้วก็อยากจะเจอท่านอีกครั้งหนุ่มจีเวเริ่มผ่อนคลายความกลัวลงผีเจ้าป่าบอกกับหนุ่มจีเวว่าถ้าเจ้าไม่เชื่อว่าข้าเป็นผีเจ้าป่าจริงจงเอาเลขที่ข้าให้สามตัวนี้ไปเสี่ยงโชคดูอีกครั้งถอะนะจะซื้อกลับไปกลับมาก็ได้หนุ่มจีเวจึงพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าครับครับจากนั้นผีเจ้าป่าก็หันหลังกลับ ลอยหายเข้าไปในแนวป่าภูเขาใหญ่เป็นอันว่าพิสูจน์ครั้งนี้ทําให้ผู้เท่ากับภรรยาเชื่อกันว่าผีเจ้าป่ามีจริงๆพร้อมกับเหตุการณ์เจอผีเพื่อนบ้านทําให้เชื่อกันว่าผีมีอยู่จริงคู่สา ม, มีภรรยากลับมานอนที่บ้านต่างพูดถึงเหตุการณ์ไม่น่าเชื่อที่เกิดขึ้นในชีวิต จ, วจนกระทั่งวันแห่งการรอคอยวันหวยออกได้มาถึงอีกครั้งผลการออกรางวัลปรากฏว่าเป็นจริงตามที่ผีเจ้าป่าบอก หุ่มจีเวพร้อมภรรยาได้เงินจากการถูกไว้ครั้งนี้เพียงพอที่จะย้ายไปปลูกบ้านใหม่ในที่ดินที่ซื้อไว้ก่อนหน้านี้แล้วพร้อมกับหนึ่งเมลที่เหลือไปซื้อรถยนต์คันใหม่หนึ่งคันเงินอีกส่วนหนึ่งนําไปลงทุนค้าขายโดยเปิดร้านเป็นขาย ข, ายของชําในหมู่บ้านวิถีชีวิตของอดีตพานใหญ่มือฉมังปรับเปลี่ยนกลายเป็นพ่อค้าเรียกได้ว่าผีเจ้าป่าพลิกผันชะตาชีวิตให้มีฐานะดีขึ้นกว่าคนในหมู่บ้านทุกคนหยุดล่าสัตว์ได้ไหม หากหยุดได้เจ้าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจะร่ำรวยมีบ้านใหม่มีรถยนต์เสียงนี้ยังดังก้องอยู่ในหูไม่เคยลืมเลือนและก็เป็นจริงอย่างที่ผีเจ้าป่าเคยบอกไว้และก็เพราะคํามั่นที่หนุ่มจีเวได้ให้ไว้กับผีเจ้าป่าครอบครัวจึงมีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องเข้าป่าล่าสัตว์ให้เป็นบาปเป็นกรรมอีกต่อไปเรื่องลี้ลับที่ผู้เท่าจีเวได้ไปเชิญมาผู้เท่าจีเวยืนยันว่าเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นจริง จนถึงกับต้องยกเลิกชีวิตการเป็นในพรานเพราะรับปากกับผีเจ้าป่าไว้ครับเรื่องราวประสบการณ์ของผู้เท่าจีเวกับคนเดินป่าก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะได้รับความบันเทิงและแง่คิดนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ